สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์เจพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดพี่น้องครับชีวิตของพวกเรานะครับเป็นชีวิตที่พิสูจน์ถึงการเป็นขั้นอย่ความตายของพระเยซูเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องจะได้ยินได้ฟังก็จะเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาหรือข้อเท็จจริงทางการมองเห็นชีวิตของคนนะครับ ที่ทุกคนต้องยอมรับว่าในที่สุดแล้วคนคนนั้นหรือใครก็ตามหากว่าได้มีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเขาจะมีประสบการณ์ในฤทธิเดชแห่งการเป็นผู้มีความตายหรือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั่นเองทีคนี้ครับข้อเท็จจริงแรกในเช้าวันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าชีวิตของสาวกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อเท็จจริงนะครับทางจิตวิทยาที่ทุกคนต้องยอมรับว่าชีวิตของสาวกเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นภาษาบอกนั้นถือว่าเป็นหลักฐานพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นเึ้นอยู่ความตายของพระเยซูนะครับถ้าหากว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นอยู่ความตายจริงๆนะถ้าหากว่าสาวกไม่ได้รับรู้ความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนนะครับเท่ากับความจริงเรื่องอื่นๆก็เป็นไม่ได้ที่เขาจะทนสู้และก็ยืนหยัดยืนยันความจริงที่เขาพูดเขาสอนนะครับ สาวกคนกลุ่มนี้ครับที่ช่วยเปลี่ยนโครงสร้างทางศืลอธรรมของสังคมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนโกหกเขาก็เป็นคนโกหกที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นนักโกหกที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระเยซูเลยครับนะหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาไม่เป็นโกนคนโกหกนะครับก็แสดงว่าเขาจะต้องพูดจริงนะครับเราไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนนะครับว่าข้อความที่สาวกพระเยซูนั้นพูดหรือสอนนะโกหกหรือหลอกลวงครับไม่มี หม่ครับไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเขาหลอกลวงเขาใช้ชีวิตของตัวเองนั้นเป็นเครื่องยืนยันครับเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อว่าสาวกนะครับหลอกลวงเนี่ยนะครับก็เป็นการที่ทําให้ความเชื่อเรื่องความตายและการเป็นที่นใความตายของพระเยซูนั้นนะครับไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นพี่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราจะเห็นชีวิตของสาวกนี่ครับ โดยพราะอย่างยิ่งน้องชายของพระเยซูเองนะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของยากรอบซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเป็นผู้ถึงความตายนั้นเขารังเกียจพระเยซูนะครับเขาไม่ชอบพระเยซูใช้คำว่าเดียดฉันก็ได้ครับนะฮะเดียดฉันทุกอย่างเลยที่พี่ชายของเขาทาพี่ที่ พ, พี่พี่ชายของเขาเป็นนะครับเขาคิดว่าคาสอนของพระเยซูคากล่าวอ้างพระเยซูว่าพระเยซูเป็น เป็นอบุตรของพระเจ้านะครับพระเยซูมาต่างๆเนี่ยเป็นการคุยโม้โออวดครับรังแต่จะทําให้วงตระกูลเสื่อมเสียนะครับแต่หลังจากการเป็นเหยี่อความตายของพระเยซูนะยากรอบเนี่ยกลับไปอยู่ในหมู่สาวกครับกับกลายเป็นสาวกของพระเยซูนะฮะคำอักคำแม่นในการเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเองครับเพราะฉะนั้นเขารู้จักกับพระเยซูในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วครับพี่น้องนะครับ เขาไม่รู้จักพระเยซูแค่พระเยซูเป็นพี่ชายของเขาเท่านั้นแต่เขารู้จักพระเยซูในฐานะที่พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับจดหมายฝากของยากอบระบุความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างเขากับพระเยซูได้เป็นอย่างดีนะครับเราจะพบในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาเขียนถึงตัวเองครับว่ายากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ พี่น้องครับสาเหตุประการเดียวครับมีเพียงหนึ่งประการเท่านั้นเองที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขานะครับจากข้อเขียนของอักเนตเปาโลครับในหนึ่งโคโรินเหมืที่สิบห้าข้อที่เจ็ดบอกว่าภายหลังพระเยซูปรากฏแก่ยากอบเห็นไหมครับพี่น้องครับทุกๆุกคนรู้ว่าพระเยซูสิ้นพชนนะครับพระเยซูถูกฝังและพระเยซูเป็นขึ้นมาความตายและปรากฏกับตัวยากอบเองครับพี่น้องเพราะยากอบนั้น รู้จักพระเยซูปเป็นอย่างดีครับเพราะว่าทานตามกันมาเป็นพี่น้องนะครับร่วมท้องเดียวกันก็คือท้องของนางมารีนะนี่คือพยานหลักฐานที่สำคัญมากทีเดียวนะว่าชีวิตของยากอบก็เปลี่ยนแปลงนะครับอีกคนหนึ่งครับที่เปลี่ยนแปลงก็คือโทมัสโทมัสเองนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ขี้สงสัยนะฮะพระพร์พูดชัดเจนครับว่าโทมสัสจะไม่เชื่อ เขาบอกกับเพื่อนๆของเขาเชื่อเหมนสาวว่าเหมือนกันว่าจะไม่เชื่อจนกว่าเขาจะเอานิ้วนะครับมาแยงที่สีข้างมาแยงที่พระหัตถและพระบาทของพระเยซูเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเป็นขี้เหนวความตายนะครับก็จะต้องมีรูมีรอยตะปูนะครับมีรอยที่ถูกห อ, อกแทงพี่น้องครับการขาดความเชื่อของโทมัสก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเห็นกับพระเยซูนั้นแสดงให้เราเห็นว่าโทมัสเองนั้น ว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูคือจุดจบไปแล้วครับคือจุดจบแห่งอาณาจักรที่พระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะตั้งไว้นะครับคําว่าพวกเราไปกับพระองค์เถิดผู้ื่จะได้ตายร่วมกันกับพระองค์คนที่พูดอย่างนี้นะครับแสดงว่าในขณะที่พูดเขาไม่เคยคิดว่าพระเยซูจะเป็นที่แห่งความตายครับคงไม่มีใครบอกจะตายตามไปอีกคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาหวังว่าจะพบคนนั้น นะครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะฮพี่น้องครับจะไม่มีใครบอกว่าจะตายตามกันถ้าเขาหวังว่าเขาจะพบคนนั้นในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่โทมัสพูดอย่างนี้นะครับโทมัสเนี่ยไม่ได้คิดว่าพี่เยซูจะเป็นที่แห่งความตายหรอกครับโทมัสไม่เชื่อครับนะโทมัสไม่เชื่อโทมัสในขณะนั้นหมดความเชื่อที่อาศัยสติปัญญาเสียแล้วนะครับเขามองไม่เห็นด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าผลทางที่พี่เยซูจะประสบความสำเร็จได้ นะโดยการเป็นที่ความตายไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้แม้ว่าพระเยซูจะพูดสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยนัยยะหรือโดยคําพูดตรงๆเขาไม่เข้าใจนะครับเขาไม่เข้าใจเขามองไม่เห็นทางที่พระเยซูจะเป็นที่มีความตายได้หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ไปแล้วเขาหมดนะครับหมดความหวังที่จะมีชัยชนะแล้วนะครับเราลงความเห็นแล้วครับว่าอํานาจของโลกภายนอกนั้นแก่งกล้าเกินไปสําหรับพระองค์ นั่นคือความเห็นของโทมัสครับอํานาจของโลกภายนอนแก่งกล้าเกินไปสําหรับพระองค์และอํานาจนะครับที่เหนือความตายเนี่ครับเป็นตัวพิสูจน์ครับเป็นทวิพิสูจน์ว่าพระเยซูรทรงเป็นพระเจ้าครับพระเยซูได้ถูกชุบขึ้นมาความตาย ด, ดลฤทธิ์เดชของพระบิดานะครับเพราะฉะนั้นโทมัสเองไม่รู้เรื่องนี้ครับและไม่กล้าที่จะเชื่อด้วยเพราะชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วย เหตุด้วยผลแต่ไม่ด้วยความสงสัยเหตุความเป็นเหตุเป็นผลที่ตัวเองตั้งขึ้นมานะครับโดยปราศจากจิตใจที่เชื่อฟังจิตใจที่มีความศรัทธาทำให้เขาหลุดนะครับหลุดออกจากทางแห่งความเชื่อในตอนแรกแต่เมื่อพระเยซูได้ทรงมีพระกรุณาสูงสุดโดยการปรากฏให้พวกเขาเห็นโทมัสเปลี่ยนแปลงแถวชีวิตของเราก็เหมือนกันครับ หลายครั้งทีเดียวเราก็ไม่อยากจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้านะครับในเรื่องเล็กน้อยต่างๆในเรื่องที่เราความจริงแล้วเรารู้อยู่แก่ใจครับว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทาให้เราคิดให้เราเชื่อให้เราพูดแต่ว่าเราเองนั้นก็หล่นไปนะครับตกลงจากมาตรฐานของพระเจ้า ในขณะเดียวกันขณะที่ตกจากหล่นจากมาตรฐานของพระเจ้าเราก็สร้างเหตุสร้างผลของเราขึ้นมาเองครับนะครับด้วยเหตุด้วยผลของความคิดแบบโลกด้วยเหตุด้วยผลของความคิดที่เข้าข้างตัวเองด้วยเหตุด้วยผลที่เราโมโนขึ้นมาจัดขึ้นมาเองครับทําให้เรานั้นเกิดความไม่เชื่อถือไม่ไว้วางใจพระเจ้าเท่าที่ควรที่นครับสิ่งนี้นครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของโทมสัส แต่หลังจากที่พระเยซูทรงสําแดงแก่โทมัสนะครับผลปรากฏในภาคเด็กคุณยอนครับคือโทมัสปูดทานออกมาว่าองค์พระบุญเป็นเจ้าของข้าพระองค์หมายความว่าโทมัสกําลังสารภาพว่าองค์พระบูเป็นเจ้าของข้าพระอ ง, งค์งงนงงงแน่แล้วพระองค์เป็นจริงแล้วสิ่งที่พระองค์พูดเป็นสิ่งที่ข้าพระองค์คิดไม่ถึงจริงๆโทมัสก็ยอมรับถึงความผิดของเขาความพลาดของเขาเขาเรียกพยระเยซูว่าเป็นองค์พระบูเป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ชัดเจน ฟีเรซูเป็นเดอะโลดนะครับแล้วก็เดอะกอดนะครับเป็นโลดและเป็นกอดครับเป็นพระเจ้าและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันหลังจากที่โทมัสพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นที่มีความตายโทมัสชีวิตเขานั้นเปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเขาสามารถทนการกดขี่ข่มเหงได้เขายินดีที่จะไปประกาศพระกิติคุณนะครับต่างะวันออกจนกระทั่งถึงประเทศอินเดียเลยครับ พี่น้องครับชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของอัรครทูตภายหลังการเป็นหู้มยความตายนั้นเป็นเสมือนนะครับเป็นเสมือนหลักฐานที่อยู่ในประวัติศาสตร์ยืนยันว่าพระเยซูปเป็นผู้มีความตายครับไม่เพียงแก่เท่านั้นสุดท้ายในวันนี้ก็คือว่าเราเห็นชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดสองพันปีในประวัติศาสตร์ผู้คนมากมายครับ หนึ่งพันเก้าร้อยสองพันปีนะครับที่ผ่านมานั้นได้รับประสบการณ์แบบเดียวกันกับเหล่าสาวกที่ผมพูดหนึ่งพันเก้าร้อยก็คือว่าหลายในท่านบังเกิดใหม่ก่อนปีสองพันนะครับพี่น้องบรรดาสวทั้งหลายนะครับรวมทั้งผมด้วยครับก็เกิดนะครับในศตวรรษที่ยี่สิบก็คือหนึ่งเก้ากว่าๆนี่แหละครับพี่น้องครับ ให้เราพิจารณาอุปนิสัยใจคอของพยานชายหญิงผู้นี้ที่ติดตามพระเยซูมานะครับ 2,000 ปีที่ผ่านมานี้นะครับทุกทุกคนได้ประจักษ์แจ้งนะครับว่าใครก็ตามที่มีประสบการณ์กับพระเยซูประสบการณ์กับการเป็นขี้เหนีความตายของพระเยซูเขาจะมั่นใจว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่นะครับพี่น้องเมื่อผมพูดตรงนี้แล้วนะครับผมอยากจะให้พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวคําว่าฮาเลลูยาครับฮาเลลูยาที่พระเยซูเป็นขี้เหนียวความตาย และโปร่งทรงพรชนอยู่โปร่งทรงฟังคานิฐานของพวกเราทั้งหลายได้และพปร่งทรงสาธะมาเนีช่วยทั้งหลายในายามยากลําบากและโปร่งมาทันเวลาเสมอครับพี่น้องด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าพระเยซูปเป็นขึ้นไความตายและเราเองต้องตอบสนองครับเราเองต้องตอบสนองอย่าเป็นเพียงแต่ความรู้อย่างเดียวครับแต่ต้องตอบสนองให้ถูกต้องนะครับว่าพระเยซูปเป็นความตายแล้วสิ่งนี้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเราบ้าง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีการยืนหยัดในความเชื่อของเราให้เรามีความศรัทธาและเรามีเหตุผลที่จะที่บายนะครับกับตัวเองกับคนอื่นว่าเราแน่ใจอย่างไรพระเยซูเป็นขึ้นหญ่ความตายจริงจริงอาเมน